ขอจเจริญพรเรียกคืนไม่ได้แล้วหมดไปหน้าอย่างหน้าจะหายวัยของเราก็เสื่อมโทรมแต่ไม่มีอะไรเหลือเป็นชีวิตที่มีค่าเวลาที่มีประโยชน์จะเปการใดหน้าเชิดายเวลานั้นที่น้องที่รักทั้งหลายถึงเราจะมีอายุมาก น, อน้อยเพียงใดก็ตามแต่ชีวิตของเราหมดค่าเวลาหมดไป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 เจอเช้ชาได้เย็นหน้าเย็นทิ้งตอนเชา้าเล้ยวล่ายในช่องโคมยุคใหม่สมัย น, นี่หรือทรัพยากรชีวิตที่มีค่าราคาคนมันตกเพเศรษฐกิจกมันตกดังที่เก่าแล้วเศรษฐกิจก ต, ตกไม่เป็นไรชีวิตการงานและหน้าที่อย่ากตกโปรดรับผิดชอบสามีภรรยารับผิดชอบไหมพ่อบ้านการเมืองจะได้เรืองลูกแม่บ้านรับผิดชอบ แม่บ้านการเลี้ยงแคร์ศาสตรแม่แบบแม่แผนแม่แผนดูแลลูกคิดปลูกพันธลูกพันุด้วยความดีในลูกรักยังแก้วตานี่ชีวิมีค่าลูกรักยังแก้วตาหมายความเมื่อไท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายลูกแสนจะรักแก้วเผยแก้วตาแก้วตาขวาลูกชายแก้วตาชายหยุดสามคู่ค็ด ชีวิตมีค่าคือสามีภรรยาน่าจะตีความให้ง่ายพาไปตีความยากเ่ยามาที่กุฏิทุกวันร้องโห o m ร้งองไห้ตลอดเด้นยิงแน่ยิงดิ้ยิงเนี่ยวันนี้ชัดเจนยิงดิยิงเ น, นี่ยไม่มีการละลวมหรือเดินไม่หลุดผูกให้มันแน่นรับแทนใจตลอดด้การ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 พบแก้ปัญหาชุดปัญหาที่สามลูกไม่เรียนย่งังสือแต่มาเขาจเจริญพรท่า น, นั้งหลายมาจากแม่เป็นอันดับหนึ่งลูกไม่อยากเรีนยนยนังสืเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ไหวพระอยู่ลูกจงห่างเหินกับความดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงออกไปนอกประเด็นสังคคฝากไว้ด้วยเลย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 ถูกรหรือผิดจ้ะถูกยังไงยังนั้นเหรอเขาเพิ่งรู้วันนี้เหมืกันมีลูกกี่คนคะสองดีไหมผู้หญิยยงผู้ชายแล้วก็ลูกชายคนโตดีมั้ยลูกชายคนโตดีมั้ย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 แสงอะไรไม่สะอาหายไปเมื่อวานเขาอยากจะตายบวชหราภาษาแหกถ้ำไปแล้วตามตัวไม่เจอมาให้ธารมมาไปตามก็ตารมมาไปรู้เหรอเขาไปที่ไหนนี่ถําตะกรีหลายคนหนึ่งปริญญาโทตุลามานั่งกรรมฐ า, า, านที่ผ้าหวานันดีแล้วเพื่อนชวนไปเข้าถ้ำนครสวรรค์เดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาหาพ่อแม่พระพาเขาถ้าโเหไป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 นั่งเจริญกรรมฐ า, านมีตา ม, ามานมารไม่มีบา ร, รมีไม่ไ ม, ม, ม่มารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดประเสริฐไม่ไดเอชาชัลวานมันเคยเป็นเดรัจฉานแต่ยินเสียงดา่ามันทนไม่ได้น้อยไปกู้ก็หนึ่งในตองอูฟาหัวเวียงหางออกจากถ้ำกลายเป็นกุ้มผาไม่มีสติสมาธิกลายเป็นเดรัจฉานโยมเข้าใจคํานี้ถ้าเรามีสติดีเป็นมนุษย์โสผา อากาสติเมื่อไรอารมณ์เสียเป็นเดรัจฉานเมื่อนั้นจึงต้องกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอพออารมณ์ดีแล้วเป็นมนุษโสภาโสภาโพีหน้าตาดีๆน่ารักน่าใคร์น่ายินดีน่าปรดาน่าโมโหกโกธาเหมือนยักษเป็นมารหน้าตาไม่ดีไม่มีเยิ่ยมเยี่ยมแจ่มใจตัง้งใจชุนนาจะไปการใดอันนี้เรื่องจริงในชุดของคน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 สอนสีไปภาวนาหนูจะเรียนเก่งเลี้ยกงกาวนาแต่ข้าขายเงินและนองทองเล้ยมาแม่ตาคุณนางไม่ตาหัวใจก็ะพรมพระมิหารธรรมแปลว่าเป็นผู้ใหญ่หนูยังยาววัยถ้าปฏิบัติไม่ได้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ไม่จะคุ้นแก่แกอะไรแกี่อยู่นานหัวงอกหัวดำไม่เอาไหนมนนีแม่ตาและใครเลย ไม่มีมุติตาแสดงความดีดีกับใครไม่มีความสงสารใครไม่มีความดีๆกับคนอื่นครับไปเห็นคนทําทั่วแช่งชาขะกระูกหน้าจําวางอุเบกขาไม่น่าจะไปแช่งเขาทำไมไม่ถึงจะเป็นพระโตรุ่ยเจ้าสองที่ทำรูพระโตรมขึ้นมาต้องการจะให้เรารู้เป็นตริศนาธรรมไม่สี่หน้าไม่ใช่หน้าเดียว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 พ่อแม่ม่นม้คุณค่ากอันดับสี่เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเป็นหนี้เขามากมายกตายกองไม่มีปัญญาจารชังปัญหาที่ห้าครอบครัวมีห้าปัญหามีเงินมามีท้องมากมายกลายท้องกองตั้ยแตะกายไปยากจนแม่ตังเดียวไม่มีเินเอาเงินไปตองเงิน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 เป็นพระที่สอนในแบบมีภรรยาได้เขามีปัญหาในาครอบครัวเพาถามปัญหาเราตอบเขายอมรับเลยเดี๋ยวออกทีวีช่องสามต่อไปในโอกาสหน้าจะเกิดประโยชน์ในชีวิตเขาเองโดยเฉพาะจะข้อาขาฝากไว้เขาก็มีปัญหาในาครอบครัวแต่ใครจเจริญก็มาถานได้เดินตรงกรมไว้อย่าทิ้ง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 สติคือหมอดูเราก็พาไปหาหมอที่ไหนจาไปนาลูกหลานอย่าไปหาหมอดูนอกไปหมอดูอยู่ในตัวเราคือกรรมฐ า, านตัวสติเป็นพิเภกไอตัวฮน UMAN คือจิตตัวจิตตัวลิงองคตคือจิตคดจิตไม่เชื่สัตว์มันคดไม่มีปัญญามันจะโกงเขาตอนนั้นได้จะฆ่าเขาตอนนั้นได้จำไ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 แต่พูดเพราะใช่ไหมแล้วคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวลี้และคดเที้ยวคือประเภทไหนคะคนที่พูดจริงทำจริงพูดไม่เพราะพูดพง ผ, ผางคนที่พูดจริงก็ทำไม่จริงจะพูดเพราะจ้าขาคุณหนูขาจ้าขายาวเป็นหว่าง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 ไปได้ยังไงทุกคนไม่ได้หรอกนะต้องคนมีบุญวาสนาที่จะไปได้ต้องสร้างบารมีแก่พะถึงจะไปสูน่นิพพานได้แต่เอาแค่แต่ที่จะมาทํางานสั้นขมนอกเหนือจากอาตมามันนั่งจเจริญกรรมฐานส่ง ห, หมายตายทางก็คือนิพพานก้นขึ้นไแต่นั่งกรรมฐานเนี้ยจะได้ลึกเหตุการณ์ทุกทุกอยา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 ตเองให้ดพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่มังบีงวันทำมิพึ่งอยู่ในตัวเองรับรองูบินสูงไม่บินต่ําไม่แล้วต้องสอนตัวเองได้จําไว้ถ้าสอนตัวเองได้ไปรอดปลอดภัยเสียใจหนออ ย, นย่าตล่อยความเสียใจไว้ในจิตใจหนูจะไปเรียนหนังสือไม่เก่งจะไปเขียนหนังสือก็หมจะเสียใจปัญญาไม่มีมิแต่มหสจริป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 กับสะเดือและพับเปล่งอยู่ตรงนี้บางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อฉันกำหนดได้ดีมากเวลาโกรธก็กำหนดแม้หายเลยได้ลิ้นปีไหนอันนี้มันลูกกระเดือ เ, อ, เไไอ๊ะก็ได้ผลเหมือนกันอาทุมงออยนี่ลิ้นปีอยู่ตรงนี้มีตั้ไงไหนแต่ก็ได้ผลแล้วเขาไม่รู้ไม่หลวงพ่อขาที่ฉันกาหนดแจ๋วเลย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 อเฮียไอเฮยไอเฮียเนาะเลยฉันก็กำหนดเสียใจนอะหายเลยเลยฉันไปกราบอเยียกลายเป็นคุณพี่ตามเด็กถ้าล้มเสียแล้วก็เปลี่ยนชื่อคุณพี่เป็นออเยียสูงหน่อยแล้วบางทีเปลี่ยนให้สูงเรียกว่าตู้เฮีย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 รู้จักแผ่สองหลุ่มไหมยิงปืนตกปากระบอกไม่มีพลังส่งยิงปืนตกบางบอกหมดแผ่สองหลุม่มหงายหลังน่งถ้ามีพลังเจตคือเมตตาด้วยศรัทธาเนี่คือแผ่ได้เลยลูกโดูอเมริกาถึงทันทีจะแผ่ให้สามีก็ได้แผ่ให้ภรรยาก็ได้เคยแผ่ให้ไอ้สามีไหมทำไมไม่เคย ต่อไปนี้แพนนะขอให้สามีอยู่เย็นไปสุดไ ด, ไ, ได้ั้ยได้ต่อ น, นี้แผเลยให้เขาอยู่เย็นไปสุขตลอดการประ ว, วัาร์นะเจ้คะกิจฉันก็มีความสุขแล้วจ้ค่ะได้ไั้ยได้โมทนาดูและบางคนมีสามีถ้าจะพระราชทานก็เอานะโยมผู้ชายเนี่ยเข้าใจกว้างเขาเป็นทวชันดอน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 แต่ที่แน่ที่สุดคืออบุญมาวันจะจ่ายให้เกิดความสุขอย่ามีความทุกข์ต่อไปไม่ต่ อ, อาหาทุกมาทุกเราเต็มเปา้าเต็มกระเป๋าเยอะทําทไมหนอไปเอาทุกจ อ, อนนอกบ้าน ไ, ไปเก็บเอาทุกขนอกบ้านมาใสา่ใจจะเกิดความลำบากใจในอนาคตขอฝากไว้เห็นด้วยปัญญาเคิดด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาหได้ไหมเจิดมันเกิดทางอวิชชาทา่ญญานสิ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 ประทับใจของคนได้เห็นได้พบสีงามด้วยงามใหญ่อัญญาสายวิสัยทนา ก, กวางไกลจำไว้งามตรงเดีสี่แบบยิ่งใหญ่กามฉาเดีา ท, าดที่ชาติตระกูลขั้ต้ น, ตนชาติตระกูลขั้ตนนี่สูงมากสองดีที่ทรัพย์สมบัติมีอันยศทรัยพย์ภายในอรนยทรัพย์ภายนอกสาม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 เอามาวหว้ในหัวใจเส่หรลอดีไหมดีเหรโยองเห็นด้วยนะกาจารย์ดูสี่อย่างหนูไม่ฟังอาจารย์ดูต่อบุคคลรูปพระคุณของบิดามารดาไปเลี้ยงเรามารูปพระคุณของครูบาอาจารย์รูปพระคุณของชาติสืบภูมิมรดกบ้านเกิดมานอนของตน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 ทำให้เราเป็นคนดีลืมเขาไม่ได้ใส่ก็ตัอยู่ต่อตัวเองรูปและคณของวัยวะฒนากายสุขภาพปัญมายรักษาไว้เราเลี้ยงโคถึกมลึกคาช่างมะไว้ไฉงามเลี้ยงสังขารไว้ไฉ่ล่ะเลี้ยงสังขารไว้สร้างความดีในชุดขงังวหลังให้กับลูกหลานร่างกายเป็นชรัพยากรชีวิตสร้างความดีให้กับตัวเอง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 ไม่มีโรค ก, กายไม่มีโรคจิตชีวิตแจ่มใสในอนาคตโลดโชตนาการสมปรารถนาในความหวังที่ข้างน้าต่อไปถึงเราจะเท่าชะเละแก่ชลาเราตายไปด้วยตาหลับสบายอุสบายใจด้วยความสงบไม่มีความอดต้องมีความอดทนโรคภยัยแค่เจ็บจะเบียดเบียนก็น้อยถึงจะตายก็ตายด้วยความสงบไปจะครบท้วนขบวนการสมปรารถนาทุกประการ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 ไม่มีรายดีกว่านี้แล้วขออนุมโมทนาสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่เรามาบําเพ็ญบุญ บ, บําเพ็ญบุลตลอดระยะเวลาที่อยู่นบะบัดนี้บัดนี้จะลาไปแล้วจึงได้โหติกรรมเอาโหติกรรมในที่ประชุมไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเลยการบมันิดเบาหน่อยให้อภัยกันลาทั้งวัดลาทั้งวัวันทาทั้งเสมาพระพุทธรูปในวัดและลูกอมูรลละเจดี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 ท่านกลับไปบ้านโปรดได้คิดให้ลึกซึ้ง 9, 4, 6, ก้าเกาะเสือสะจอยลึท่านจะได้รับมรรคผลสมค่าปัชนาทุกประการข อ, ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันณาสุขาภพพะปฏิภาณธนาสารทุมบัตินึกคิดสิ่องอื่นประการด้ชมความมุ่ง ม, มา่นปรัชนาทุกการทุกลูกลุกนาม ณโอกาบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกทุกท่าน